5. ความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขหรือเมตตาเมตตาคือความปรารถนาดีต่อผู้อื่นมีไมตรีจิตต่อคนและสัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าจัดเป็นแหล่งเกิดแห่งความสุขอีกอย่างหนึ่งทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นผู้มุ่งเจริญในธรรมพึงหมั่นเจริญอบรมเมตตาให้เกิดในใจอยู่เสมอเพราะเมตตากรุณาเป็นที่อยู่อันประเสริฐของใจหรือพรหมวิหารธรรม ห้าจุหนึ่งวิธีเจริญเมตตาพรหมวิหารผู้จะเจริญเมตตาพรหมวิหารพึงอยู่ในที่ส ง, งัดถ้าเป็นไปได้แม้ไม่ได้ที่ส ง, งัดก็เจริญเมตตาได้แต่อาจทำได้เพียงคณิกาสมาธิหรือความสงบชั่วขณะเมื่อเตรียมตัวพร้อมแล้วพึงพิจารณาถึงโทษของโทสะและพิจารณาให้เห็นคุณของเมตตา ทำจิตให้อ่อนโยนแล้วแผ่เมตตาถึงตนเองก่อนว่าขอเราจงมีความสุขปราศจากทุกข์เถิดทั้งนี้เพื่อเอาตนเป็นพยานว่าเรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดคนอื่นสัตว์อื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้นต่อจากนั้นพึงแผ่เมตตาไปถึงท่านผู้มีอุปการะคุณเช่นมารดาบิดาครูอาจารย์เป็นต้น แล้วแผ่ไปยังคนที่ตนรักคนที่เฉยๆและคนที่เป็นศัตรูคู่เวีนต่อกันในการแผ่เมตตาให้ศัตรูคู่เวีนนั้นอาจมีอุปสรรคมากยากที่จะทำใจให้ละมุนละไมได้พอนึกถึงคนเช่นนั้นความเครียดแค้นชิงชังจะเกิดขึ้นเสียก่อนถ้าเป็นดังนั้นพึงปฏิบัติดังนี้คือหนึ่งเราลึกถึงเนืองเนือง ซึ่งพระโอวาทของพระศาสดาที่ตรัสถึงโทษของความโกรธและความพยาบาทถ้ายังไม่หายพึงปฏิบัติในข้อสองสพึงระลึกถึงพระจริยาของพระศาสดาทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ทรงอดทนอดกลัน้นถ้ายังไม่หายพึงทําตามข้อสามพึงระลึกถึงความสัมพันธ์การในอดีตระหว่างที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตว่า อาจเคยเป็นมานดาบีดาเป็นต้นกันมาถ้ายังไม่หายโกรธเกลียดพึงปฏิบัติตามข้อสี่สพึงระลึกถึงอานิสง์แห่งเมตตาสิบเอ็ดประการที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้ถ้ายังไม่หายพึงปฏิบัติตามข้อห้าหแยกธาตุเช่นเราโกรธเกลียดอะไรเขาคนทุกคนเป็นประมวลแห่งดินน้ำไฟลมเราเกลียดอะไร เกล็ดดินหรือน้ำฝ่ายหรือรมเป็นต้นถ้ายังไม่หายพึงปฏิบัติตามข้อห 6. หพึงให้ของแก่เขาหรือรับของจากเขาก็จะทําให้จิตใจอ่อนโยนลงได้เมื่อใจสงบลงแล้วพึงแผ่เมตตาให้มีขอบเขตกว้างขวางออกไปคือทําใจให้สม่ําเสมอในคนทุกจําพวกคือตัวเราเองคนที่เรารักคนที่เฉยเฉย และคนที่เป็นศัตรูคู่เวนกันท่านเรียกเมตตาชนิดนี้ว่าเมตตาสีมะสมเพชแปลว่าทำลายแดนไม่มีเขตแดนมีเมตตาเสมอกันในคนทั้งปวงจิตอย่างนี้เป็นจิตที่ไม่มีเขตแดนมีเมตตาเสมอกันในคนทั้งปวงจิตอย่างนี้เป็นจิตที่มีความสุขอย่างยิ่งการแผ่เมตตามีอยู่สองวิธี คือแพ่เจาะจงหรือโอทิสภรณาเช่นออกชื่อว่าขอให้ออกชื่อมีความสุขอย่าได้มีเวรต่อกันอย่าได้เบียดเบียนกันอีกอย่างหนึ่งคือแพ่ไม่เจาะจงหรืออนโนทิสศภรณาคือแผ่รวมๆเช่นขอสัตว์ทั้งหลายขอบุคคลทั้งหลายจงมีความสุขอย่าได้มีเวรต่อกันอย่าได้เบียดเบียนกันเลยดังนี้เป็นต้น 5.2 จุสองอ น, นิสงค์ของเมตตาผู้เจริญเมตตาเพืงอระลึกถึงอา น, นิสงค์ของเมตตาบ่อยๆและแผ่เมตตาไปในสรรพสัตว์ให้ระลึกถึงอา น, นิสงค์ของเมตตาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แต่ผู้ที่เจริญเมตตาแล้วจะได้อา น, นิสงค์สิบเอ็ดประการนี้จะต้องเป็นเมตตาเจโตวิมุตคำว่าเจโตวิมุตหมายถึงเป็นอัปปนา คำว่าอปปนาคือได้ถึงขั้นฌานถ้าได้เจริญเมตตาจนถึงได้ฌานเพราะมีเมตตาเป็นอารมณ์ก็จะได้อา น, นิสงส์สิบเประการครบถ้วนเต็มรูปเต็มบริบูรณ์ถ้าเจริญเมตตาไม่ถึงขั้นฌานเจริญเมตตาอย่างคนธรรมดาจะได้อา น, นิสงส์เหมือนกันแต่อา น, นิสงส์จะเพล่าลงไม่เต็มรูปเหมือนกับว่าเรามีคุณสมบัติพร้อมก็จะได้อา น, นิสงส์พร้อม ถ้ามีคุณสมบัติไม่พร้อมอา น, นิสงส์ที่ได้ก็ก็พร่องกระแพร่งหน่อยแต่ก็ได้ตามสมควรแก่การปฏิบัติท่านแสดงอา น, นิสงส์ของเมตตาคือข้อที่หนึ่งหลับเป็นสุขหรือสุขขังสุปติคนมีเมตตาไม่อาฆาตพยาบาทไม่จองเวีนใครไม่เครียดแค้นชิงชังใครเวลานอนก็ไม่มีอารมณ์เครียดแค้นชิงชังใครค้างอยู่ มันก็นอนหลับสบายถ้าไม่เป็นโรคอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโรคนอนไม่หลับข้อที่สองตื่นเป็นสุขสุขขังปฏิพุทธชัตติเมื่อไม่ได้มีจิตใจคิดร้ายไม่มีจิตใจอาฆาตพยาบาทผู้ใดตื่นขึ้นมามองไปทิศไหนก็เห็นแต่มิตรตัวอย่างที่ท่านบอกว่าถ้าเรามีเมตตามองไปทางไหนก็ไม่มีศัตรู แต่ถ้าเราไม่มีเมตตามีความโกรธเคืองขุนแค้นมองไปทางไหนก็มีแต่ศัตรูเพราะฉะนั้นคนที่มีเมตตาตื่นอยู่ก็เป็นสุขมีเทคนิคพิเศษมีเคล็ดลับนิดหน่อยสำหรับผู้ที่ตื่นท่านบอกว่าเมื่อตื่นขึ้นมาใหม่ๆสิ่งแรกที่คิดให้คิดถึงแต่สิ่งที่ดีๆอย่าไปคิดในสิ่งร้ายเวลาจะพูดออกมาก็พูดแต่ในสิ่งที่ดี ให้เปล่งวาจาดีเอาไว้ก่อนเวลาที่ตื่นขึ้นมาเช่นวันนี้เป็นวันที่เป็นมงคลวันนี้เป็นวันแห่งความสุขวันนี้เป็นวันดีหรือจะสวดคำบาลีก็ดีเช่นทุกขับปัดตาจะนิททุกขาขอสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุก์จงพ้นทุกพยับปัดตาจะนิทพยาขอสัตว์ทั้งหลายผู้มีไยจงพ้นไย โสกับปัตตาชนิดโสกาฮวนตูสัเพปิปานิโนขอสัตว์ทั้งหลายผู้มีโศกจงพ้นโศกส ว, กสวดบทนี้ก็ได้เป็นการแผ่เมตตาขอสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุกข์จงพ้นทุกข์ขอสัตว์ทั้งหลายผู้มีภัยจงพ้นภยัยขอสัตว์ทั้งหลายผู้มีโศกจงพ้นโศกอย่างนี้ก็เป็นการปรารถนาดีแก่ผู้อื่น ส่งความปรารถนาดีไปให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่รอบๆตัวเราเมื่อเราส่งความปรารถนาดีสิ่งที่ดีงามออกไปจากตัวสิ่งที่เข้ามาหาตัวก็จะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันแต่ถ้าตื่นเช้าขึ้นมาเราก็พูดสิ่งที่ไม่เป็นมงคลพูดสิ่งที่ไม่ดีเป็นคําแรกแล้วคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีต่อคนอื่นความไม่ดีนั้นจะกลับมาถึงตัวผู้คิดผู้พูดเพราะฉะนั้น เรื่องนี้ท่านสอนใหเราวังก่อนนอนก็เหมือนกันก่อนนอนให้คิดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีท่านจึงสอนให้สวดมนต์ก่อนนอนเล็กน้อยเช่นอรหังสัมมาสัมพุทธโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตพระควะตาธมโมทำ ม, มังนัมสามิสุปฏิปันโนพระควาโตสาวกสังโค สังขังนมามิแล้วกราบบูชาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารดาบิดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายกราบหกครั้งแล้วก็นอนนอนก็เป็นสุขตื่นขึ้นมาก็มองเห็นแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลมีหรือไม่มีก็ตามใจแต่เราจูงใจตัวเองให้เป็นอย่างนั้นพูดในสิ่งที่เป็นมงคลในคําแรกๆที่ตื่นขึ้นมา คิดแต่สิ่งที่เป็นมงคลทำแต่สิ่งที่เป็นมงคลอย่างนี้มงคลก็เข้าตัวสิ่งที่ดีก็เข้าตัวเพราะมันออกไปจากตัวเราสิ่งที่จะเข้ามาก็เข้ามาแต่สิ่งที่ดีอันนี้ก็ได้อา น, นิสงค์ของเมตตาสองอย่างคือหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขข้อที่สามไม่ฝันร้ายหน้าปาปักกางสูปีนังปัสสติทีนี้คนที่นอนหลับก็ฝันบ้าง บางคืนฝันมากบางคืนฝันน้อยบางคืนไม่ฝันเลยก็มีแต่ส่วนมากฝันท่านบอกว่าผู้จิเจริญเมตตาจะไม่ฝันร้ายไม่ฝันชั่วไม่ฝันในสิ่งร้ายๆลองดูสาเหตุของความฝันที่ท่านกล่าวไว้ในคำภีทางพุทธศาสนาอย่างน้อยสี่อย่างหนึ่งกรรมมานิมิตหมายความว่ากรรมดีกรรมชั่วที่เคยทาเอาไว้จะมาให้ผล โดยมาปรากฏในความฝันก่อนเหมือนกับนกที่บินอยู่ในอากาศแต่เงาข้ามันมาปรากฏที่ดินหรือนกจับอยู่บนกิ่งไม้แต่เงาปรากฏอยู่ที่ดินคือตัวนกยังมาไม่ถึงเงามันมาก่อนอีกสักพักหนึ่งตัวนกจะบินร่อนลงมาที่ต้นไม้หรือที่ดินกรรมมณีมิดคือกรรมที่เราเคยทำไว้เป็นกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้าง ก็จะตามมาให้ผลทำให้ฝันไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ก็เป็นเหมือนกันฝันหลายข้อและทรงแก้เองอันนี้จะไม่ขอนำมาเล่าในที่นี้สองจิตอาวรคือกลางวันคิดถึงเรื่องอะไรมากอะไรอาวรถึงเรื่องอะไรมากก็เอาเรื่องนั้นมาฝันได้เช่นคิดถึงใครมากอาจจะฝันถึงคนนั้นก็ได้ หรือกังวลหมกมุ่นในเรื่องอะไรคิดถึงเรื่องนั้นมากก็เก็บมาฝันเวลากลางคืนอันนี้เรียกว่าจิตอาวร 3. ์เทพสังหอนเทวโตประสังหารณะโตแปลว่าการนำเข้าไปของเทวดาเทวดานำข่าวมาบอกไม่ใช่สังหอนแบบที่คนไทยเข้าใจในภาษาชาวบ้านทั่ ว, วไปที่พูดกันว่าสังหรสังหร เป็นการนึกไปว่าอาจจะโชคดีหรือโชคร้ายส่วนคําว่าเทพสังหรอนสังฮรณะหรืออุปสังหารณะแปลว่านําเข้าไปเทวดานําข่าวไปบอกจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายเทวดาผู้หวังดีนําข่าวร้ายมาบอกให้เตรียมตัวหรือเทวดาที่เคยเป็นมิตรเป็นสหายเป็นผู้มีอุปการะต่อกัน ได้ทราบข่าวดีแล้วก็นำข่าวดีมาบอกล่วงหน้าแต่จะบอกตรงๆให้เห็นหน้าคนจะหนีหมดก็เลยนำมาบอกในเวลาหลับแล้วกลายเป็นความฝันอันนี้เรียกว่าเทพสังหรณ์สีธาตุกำเริบคือกินอะไรต่ออะไรเข้าไปท้องขึ้นท้องเฟอ้อปวดท้องลำไส้ไม่ดีท้องไม่ดีาธาตุไม่ดีาธาตุกาเริบ ก็ฝันได้เหมือนกันฝันเลอะเทอะไปเมื่อคนเจริญเมตตาจะได้อานิสงส์อีกข้อคือข้อที่สามไม่ฝันร้ายข้อที่สี่เป็นที่รักของมนุษย์มนุษย์สางปิโยโหติคนมีเมตตามีจิตใจอ่อนโยนต่อเพื่อนมนุษย์เมื่อเรามีกิริยาอาการอย่างนั้นมีความเอื้ออาอรต่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายได้รับความเอื้ออาทรของเราก็มีความเอื้ออาทรตอบมีมิตรจิตมิตรใจตอบปลูกอื่นใดปลูกไมตรีดีกว่าพานถ้าเราปลูกไมตรีตอบเพื่อนมนุษย์เราก็ได้ไมตรีตอบถ้าเราปลูกเวีนไพกับเพื่อนมนุษย์เราก็ได้รับเวีนไพกลับมาเมตตาก็คือไมตรีนั่นเองไมตรีหรือเมตตาเป็นรากศัพท์อันเดียวกัน ถ้าเราปลูกเมตตาปลูกไมตรีเราก็ได้รับไมตรีเหมือนเราปลูกต้นไม้ก็ได้ต้นไม้ถ้าปลูกต้นไม้ที่มีพิษมันก็มีพิษปลูกต้นไม้หอมมันก็มีกลิ่นหอมออกมาดอกหอมบ้างลำต้นหอมบ้างแก่นหอมบ้างแล้วแต่ชนิดไหนเพราะฉะนั้นผู้มีเมตตาก็เป็นที่รักของมนุษย์ข้อที่หเป็นที่รักของอมนุษย์ อมนุษย์สานางปิโยโหตินอกจากมนุษย์แล้วนอกนั้นก็เป็นอามนุษย์อย่างเช่นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นอามนุษย์เหมือนกันสัตว์เดรัจฉานนี่เห็นง่ายอย่างสุนัขแมวช้างมา้าวัวควายสัตว์ทุกชนิดแม้แต่จิ้งจกตุกแก่สัตว์ตัวเล็กเกมันก็รู้รู้ว่าใครมีไมตรีต่อมันใครไม่มีไมตรีต่อมันที่มีไมตรีต่อมันมันก็รัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัขเป็นเพื่อนของมนุษย์และรักมนุษย์มากถ้ามนุษย์ทํำดีต่อมันแม้แต่แมวถ้าเลี้ยงมันแล้วแล้วก็พอเจ้าของมันเดินมามันก็มาเข้าแข้งเคล้าขาแสดงความรักแสดงความสนิทสนมแต่ถ้าใครไม่ชอบมันไล่มันเตะมันเจอเข้ามันก็วิ่งหนีทั้งสุนัขทั้งแมวนอกจากสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ยังมีเทวดา เทวดาก็เป็นอมนุษย์เหมือนกันคนที่มีเมตตาเป็นที่รักของเทวดาเป็นคนที่เทวดารักก็จะได้รับความสุขความเจริญได้พบแต่สิ่งที่เจริญข้อที่หเทวดาทั้งหลายย่อมรักษาเทวตารักขันติเบื้องแรกเราต้องยอมรับกันก่อนว่าเทวดามีจริงถ้าเราไม่ยอมรับเรื่องเทวดาก็ไม่ต้องพูดกันเรื่องเทวดารักษา เหมือนกับว่าเราไม่เชื่อเรื่องพ่อแม่มีบุญคุณก็ไม่ต้องพูดกันว่าพ่อแม่มีบุญคุณอย่างไรเพราะเบื้องต้นไม่เชื่อเสียแล้วว่าพ่อแม่มีบุญคุณหรือครูบาอาจารย์มีบุญคุณถ้าเราไม่ยอมรับว่าครูบาอาจารย์มีบุญคุณต่อเราก็ไม่ต้องพูดกันว่าครูบาอาจารย์มีบุญคุณต่อเราอย่างไรไม่ต้องวิเคราะห์วิจารให้เสียเวลาเพราะได้ปฏิเสธไปตั้งแต่ต้นแล้ว เพราะฉะนั้นในเบื้องแรกต้องยอมรับกันก่อนว่ามีเทวดาโอปปาติกะพวกพลมเป็นพวกที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อจะมองเห็นได้ด้วยตาทิพย์ถ้ายอมรับอันนี้แล้วก็พูดกันต่อไปได้ในเรื่องเทวดารักษาการปฏิเสธโอปปาติกะอันนี้เป็นข้อหนึ่งในมิจฉาทิฏฐิสิบนัตถิโอปปาติกะโอปปาติกะไม่มี หมายถึงปฏิเสธโลกนี้โลกหน้าปฏิเสธเทวดาเบื้องแรกสมมติว่าเรายอมรับกันว่ามีเทวดาต่อไปจึงพูดกันได้ว่าเทวดารักษาในพุทธศาสนาสุภาษิตพูดรวมรวมว่าเป็นภาษิต ท, ทางพุทธศาสนามีอยู่เป็นจำนวนมากที่ท่านพูดถึงเทวดาเทวดารักษาอย่างในอนิสงค์ของเมตตาก็พูดถึงเทวตารักขันติ เทวดาย่อมรักษามีพระพุทธภาษิตอยู่หลายแห่งที่พูดถึงทำนองนี้เช่นผู้ที่ใช้ทรัพย์ไปเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเทวดาย่อมรักษาเขาผู้ซึ่งทำคุ้มครองแล้วหิโตพระหุนนางปฏิปัติชาภเเคตั้งเทวดารักขันติธรรมคุตตังคือทมที่ได้บริจาคทรัพย์ใช้ทรัพย์ไปเพื่อประโยชน์คนหมู่มาก ทำอ น, นั้นแหละช่วยคุ้มครองและเทวดาก็รักษาและเขายังเป็นผู้หูสูตรู้หดสูตังศีลวัตูปปันนางได้สถับตรับฟังมากสมบูรณ์ด้วยศีลและวัดเป็นผู้มีศีลและวัดดีมีความประพฤติดีมีข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับจารีตประเพณีเกี่ยวกับวัดต่างๆนั้นดีเมื่อเป็นดังนี้ก็ได้ทาคุ้มครองได้เทวดารักษา ในที่บางแห่งะพุธเจ้าได้ตรัสว่าตาปูชิตาปูชยันติทเทวดาที่บุคคลผู้นั้นบูชาแล้วจะบูชาเขาตอบมานิตามานายันตินังทเทวดาที่บุคคลผู้นั้นนับถือแล้วจะนับถือเขาตอบตาโตนางอนุกรรมปันติจากนั้นก็จะตั้งใจอนุเคราะห์บุคคลผู้ น, นั้นมาตาปุดตังวะโอรสัง เหมือนกับมารดาอนุเคราะห์บุตรที่เกิดแต่อกของตนเทวตานุ ก, กรรมปิตโปโสบุคคลที่เทวดาอนุเคราะห์แล้วศรัทธาพัทรานิปัสสติก็จะพบเห็นแต่ความเจริญรุ่งเรืองมนุษย์กับเทวดามีความสัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกันให้เกียรติกันนับถือกันเคารพซึ่งกันและกัน ทางพุทธศาสนายอมรับเรื่องเทวดาเทวดามีแต่ไม่ใช่ให้ไปอ้อนวอนเทวดาขอนั่นขอนี่เป็นแต่เพียงว่าให้ทำความดีให้ทำความดีแล้วเทวดาท่านก็คุ้มครองเองถ้าต้องการความคุ้มครองจากเทวดาก็ต้องเป็นคนดีไม่ใช่ไปอ้อนวอนเอาคาไทยโบราณพูดถึงกนใบ่อยๆว่าคนดีเทวดารักษาถ้าเป็นคนชั่ว ก็มีอะไรที่ชั่วชั่วมาชักนำไปให้ชั่วคือพวกเดียวกันบางทีมีพวกอสุรกายพวกมีนิสัยในทางชั่วมาชักจูงไปในทางชั่วถ่าลองนึกดูว่าคนไหนที่เป็นคนผ่านเกเรไปไหนก็เจอแต่คนเกเรจะตีกันอยู่เรื่อยถ้าคนไหนเป็นบัณฑิตเป็นนักปราดเป็นคนดีไปที่ไหนก็เจอแต่คนดีมีสิ่งคุ้มครอง อย่างน้อยก็มีมิตรมีสหายคอยจูงใจให้เป็นไปในทางที่ดีคนที่มีความอดทนมีเมตตาก็จะเป็นคนมีลาบขันติโกเมตวาลาภีจะเป็นคนมียศยศาศีสุขศีละวาคำว่ายศมีความหมายหลายอย่างไม่ใช่ยศอย่างที่คนทั้งหลายเข้าใจการประการเดียวหมายถึงความดีหมายถึงทรัพสมบัต ความเป็นใหญ่ความนับถือเสียงสรรเสริญบริวารเกียรติเหล่านี้ล้วนเป็นยศทั้งสิน้นสุขะศีละวาคือมีปกติอยู่เป็นสุขผู้มีความอดทนเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักเป็นที่พอใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปิโยเทวมนุษย์สางมนาปโปโหติขันติโก เป็นการแสดงถึงอนิสงค์ของเมตตาว่าเป็นที่รักของเทวดาเทวดาย่อมรักษาในกรณียมเมตสูตรก็ได้กล่าวถึงว่ามีพระพวกหนึ่งได้ไปบาเพ็ญสมาธรรมในป่าไปกันหลายรูปเทวดาที่อยู่ในป่ารู้สึกว่าพระไปรบกวนทาให้ท่านอยู่ไม่สุขเทวดาทั้งหลายจึงแสดงพฤติกรรมต่างๆให้น่ากลัวเป็นเหตุให้พระเหล่านั้นอยู่ไม่ได้ กลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทวนเล่าให้ทรงทราบว่าไปอยู่แล้วอยู่ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวมากมายพระพุทธเจ้าท่านทราบบอกว่าไปเถิดไปอยู่ที่นั่นเราจะให้คาถาไปแผ่เมตตาให้แผ่เมตตาตั้งแต่ออกจากวัดเชตวันไปจนถึงป่าที่จะอยู่อาศัยอนุภาพแห่งเมตตาที่พิสุ์เหล่านั้นแผ่ไปตั้งแต่ออกจากวัดเชตวัน พอไปถึงป่าตรงนั้นเทวดาทั้งหลายก็รักเทวดาต้อนรับดีไม่แสดงพฤติกรรมที่น่ากลัวแต่กลับช่วยเหลืออนุเคราะห์นี่ก็ด้วยอนุภาพของเมตตาเทวดาย่อมรักษาเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อของมนุษย์มีหลายอย่างที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่มันสาคัญกว่าสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเนื้อเป็น unseen world โลกที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อ แต่เป็นสิ่งมีอยู่เพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาท่านสอนให้เป็นมิตรกับเทวดาเวลาจะทำบุญทำกุศลให้ทำอุทิศให้เทวดาด้วยหรือเทวตาพรีโดยในนี้มนุษย์แทนที่จะไปง้อไปอ้อนวานเทวดาก็ะเพื่อแผ่ถึงเทวดาทำบุญทำกุศลอะไรก็น้อมจิตระ ล, ลึกถึงอุทิศส่วนบุญให้เทวดาเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันเป็นสหายกัน เพราะฉะนั้นท่านที่นับถือเทวดาแบบศาลพระภูมิถ้าท่านยังไม่สบายใจที่จะไม่ตั้งศาลหรือไม่ตั้งแล้วไม่สบายใจหรือทะเลาะ ก, กันกับพ่อแม่ญาติพี่น้องจะตั้งก็ตามใจเชิญเถอะแต่มีวิธีหนึ่งที่ถ้าทุกคนพร้อมใจกันในบ้านโดยที่ไม่ขัดแย้งกันคือมาเป็นมิตรกับเทวดาอยู่ที่บ้านบอกว่าเทวดา หรืออะไรต่างๆที่มองไม่เห็นด้วยตาท่านจะอยู่ที่ไหนก็เชิญท่านจะอยู่ที่ไหนในบริเวณนี้ต้นไม้ต้นไหนบ้านตรงไหนเชิญอยู่ตามสบายไม่ต้องตั้งศาลเล็กๆให้อยู่เหมือนกับที่คนส่วนมากทำกันอยู่อยู่กันแบบอนุเคราะห์กันมนุษย์ก็เอื้อเฟื้อแก่เทวดาเทวดาก็เอื้อเฟื้อแก่มนุษย์ช่วยรักษามนุษย์ ทั้งมนุษย์และเทวดาเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแต่อยู่คนละมิติกันมนุษย์มองไม่เห็นเทวดาได้เปรียบตรงมองเห็นมนุษย์ทํานองนี้เป็นอนิสงค์ของการเจริญเมตตาข้อที่ว่าเทวดาย่อมรักษา